โลกที่ไม่มีศาสนาะต้องเป็นโลกที่เดือดรอนอยากไม่มีปัญหาคนไม่มีศาสนาะก็เช่นเดียวกันอยากมาถึงโลกและมาเป็นคนเป็นลายลายเรื่องให้ความเป็นทรรไม่มีอัน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 อุทิมุ่งต่อเหตุต่อผลต่อทันตามพระองค์ท่านจริงๆก็ยอมรับูุทิมีสิง่งผิดวังมีคิดมีพัอยู่ภายในปิตใจก็ไม่ยอมรับ ก, ก็เป็นกรรมของแต่ละคนละคนอุทิ่ไม่ยอมรับอาเลยนะันก็สูดวิสัยเรื่องให้ความเป็นธรรมจากท่านผู้สิ่งกิเลส กลับให้ความเป็นธรรมของผู้มีกิเลสนี้ย่อมต่างกันอยู่มากใครจะพูดว่าอะไรก็ตามเแต่ถ้าจิตใจยังมีสิ่งที่เป็นพิษภัยอยู่ภายในนั้นต้องแทรกออกมาระบายออกมาินได้ไม่มากก็น้อยผู้ไม่มีเป็นสิ่งที่เป็นพิเป็นภัยเลยนั้นจิ่งไม่มีอะไรที่จะแทรกออกมา รื้อแฝงออกมาเพราะไม่มีมีแตะทำล้วนๆทำล้วนๆ น, นั้นให้ความเสมอภาคให้ความเป็นธรรมสม่ำเสมอไปหมดแม้แต่สัตว์ดุราาิยานตัวเล็กๆขนาดไหนก็ตามตาที่ท่านบัญดัตห้ามไว้ไม่ให้ทำลายสัตว์แม้แต่อยู่ในครรภ์ให้ความเสมอภาคมาแล้วตั้งแต่น้องเห็นความสำคัญของสัตว์มาแล้วต้องไปอยู่ในท้อง แต่ ว, ว่าออกมาเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้เห็นอย่างด้วยตาเนื้อของเราอย่างทัดเจนนี่เลยแม้แต่อยู่ภานในคันลึกละเอียดขนาดไหนก็ไม่ให้ทำลายเป็นให้ความสมบูรณ์ทางการที่มาพลิกแปลงเปลี่นแปลงไปด้วยอำนาจของจิตรู้ความมูความเห็นที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ ใครจะว่าเยี่ยมว่ายอดว่าดีว่าดีขนาดไหนก็คือความเร็วขนาดนั้ น, นมันคงข้างคงข้างอย่างนี้ห้องเมันสด็สรรกันขึ้นเฉยเฉยไม่ใช่เป็นขึ้นมาด้วยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติที่เป็นเองกับสิ่งที่เสด็สรรขึ้นมานั้นขีดกันศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือธรรมเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ด้วยหลักธรรมชาติไม่ต้องไป แต่แปลงแก้ไขอันไหนท่เราพูดถึงส่วนรวมทั่วๆไปที่นิยนเข้ามาถึงตัวของบุคคลเราแม้เป็นผู้นับถือศาสนาและยายระยะใดขนาดใดที่จิตทางเหินจับทำคือสติปัญญาเครื่องค่ายควรระยะนั้นที่เหลือย่อนแท้ขึ้นมาได้ผลย่อมมีความโดดร้อนให้เห็นอย่างชัดเจนภายในตัวเอง ยิปล่อยสติสตังไปทั้งวันทั้งคืนคิดไปตามนัทธกรรมด้วยแล้วก็ ย, ยิงไปใหญ่ที่ยับยั้งไม่ได้ถ้า ม, มีสติสตางแล้วมีปัญญาใกลควรต้านทานบ้างต่างกําลังของตนก็พอมีเหลือคือพอให้มีความสุขความสงบได้คือถึงมีสติมีปัญญามาก <c oughs> มีความเฉลียวฉลาด ในด้านปฏิบัติต่อจิตใจภัยที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็น้อยหรือชำระได้โดยเด็ดขาดไม่มีภัยภายในใจเลยนั่นเที่วเป็นผู้มีความถูกความสมบูรณ์นี่แหละคนคนเราเป็นอย่างนี้แม้จะเป็นรูปคนเป็นหญิงเป็นชายเหมือนกันก็ตามแต่ภูมิแห่งความเป็นอยู่ภายในจิตใจมีผิดกันอย่าง น, นี้ ความรู้ความเฉลายมีลึกตื้นหนาบางต่างกันฐานของจิตก็มีความหลย่อมล่าต่ำสูงต่างกันอย่างนี้ท่านจะไม่ให้ประมาทวาสนาของกันและกันแม้เขาเป็นสัตว์ก็ไม่ประมาทวาสนาของเขาว่าเขาเป็นสัตว์เราเป็นมนุษย์มันเป็นไปตามยถากรรมคือเป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกแต่ละาลายลายมีตัวเราคนหนึ่งที่เป็นเช่นเดียวกับสัตว์โลก ญาตเราที่เกิดมาสเสวยความเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็เหมือนว่าเราเร า, เรานี่สูงส่งกว่าเขานญาติที่เขาเป็นสัตว์ก็เหมือนกับว่าเขาตันต้อยาา ร, ร้อยเลือดท้ามรนดาสักเลือท้านต่างๆความจริงเขาทำมาสวยตามกร ร, รมขเขาตามทันที่ท่านว่ากรรมังสัตว์ปิผัสจติยัดดีดำหินนับปณิตังก ร, รรมย่อมทำแน่เก่สัตว์ให้เป็นต่างๆกันคือปณีสเรือซามาต่างกัน เป็นาลายไปอันนี้เป็นไปด้วยอํานาจแห่งกรรมที่ตนนั่นแหละทําให้เวลาแสดงผลออกมาตนไม่ทราบว่ า, าผลนี้เกิดมาจากอะไรตามเป็นก็ต้องเสวยไปตามนิบากแห่งกรรมที่ปรากฏขึ้นกับตัวของเราเองดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงมีแตกต่างกันท่าน ม, มาประมาทอานาจพัถนาพบภูมิของกันและกันเพราะกําลังท่องเที่ยวอในวัฏจักด้วยกัน มีการเปลี่ยนแป ล, ง, ปลงสูงบ้างต่ำบ้างตามอำนาจแห่งกรรมนิยมที่มีอยู่ภายในปิตของแต่ละรายละหายสัตว์บางตัวนะเขาจะเป็นสัตว์ก็ตามแต่พื้นฐานแห่งจิตใจทั้งของขาอัตต์ดีกว่ามนุษย์เป็นมารงงก็ยังมีแต่ในวาระนั้นเรียกว่าสเสวยกรรมตามระของตนก่อนพอพ้นจานั้นไปแล้วเขาอาจจะสูงกว่ามนุษย์ก็ได้มนุษย์เราอาจจะต่ำกว่าเขาก็ได้ มันเป็นไปตามละเล่นแต่ผู้ที่ดาเนินจิตใจให้มีหลักมีฐานไปโดยลําดับลําดับนั้นจะมีความสูงขึ้นไปเป็นระดับไปเพราะอย่างยิ่งพระอาญาบุคคลตั้งแต่ขั้นโสดาขึ้นไปนี่เป็นผู้แน่นอนต่อความพ้นทุกข์อย่างชาก็ไม่เคยเจ็บชาติท่านก็บอกไว้แล้วนี่เป็นผู้แน่นอนที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิถงโดยลำดับเมืองนั้นท่าน ไม่ได้รับรองว่าเป็นความแน่นอนแน่นอนจึงต้องมีฉุงสูงความจริถึงเช่นเดียวกับศัสตว์โลกทั่วไปเมื่อเราทราบอยู่จักใจของเราจากทำคำสอนของพระเจ้าที่ทรงที่แสดงไว้ด้วยความจัดความจริงเช่นนี้เราจรึงไม่ควรประมาทในตัวของเราเองเฉ่พะอยางยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติความเข้มแข็ง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 คันเป็นก็ดีความตายไปในพกพใดก็ดีที่ต้องรับสูตรับทุกเป็นเรื่องของเราจะต้องรับโดยสิ้นเชอให้่มีผู้ใดจะมาแบ่งสู้แบ่งรับรู้แบ่งส้นสันส่วนไม่มีความเบาบางจากเราไปบ้างที่อันเป็นความทุกข์อย่างนี้ไม่มีเราจึงควรเข้มแข็งพิจารณาแก้ไขทุนตั้งแต่ บ, บัดนี้ยึดเป็นสิ่งที่ชำระได้ชำระสัตว์สางให้เป็น ข, ของสะอาดได้ จากมุมทิณทั้งหลายเพราะธรรมะทั้งมวลนั้นถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้ำที่สะอาดทหลักธรรมะสิ่งสกรปรกโสโคกทั้งหลายนั่นแหละหากปฏิธรรมะธรรมะสิ่งสกรปรกโสโคกภายในจิตใจของสารโลกไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกอรหันต์อรหันก็ดีไม่มีองค์ใดที่จะเป็นผู้สะอาดปราศจากมุมทิณโดยความบริสุดได้เลยคือถึงความบริสุดได้เลยต้องเป็นผู้ ผู้ที่เต็ม อ, อยู่ในกองทุกเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปแต่นี้ก็พฟอกทาซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดอยู่แล้วผู้นำมาะพื่ิปฏิบัติก็เท่ากับนำมาซักฟอกจิตใจของเราของตนให้มนนีความสะอาดขึ้นไปเป็นระดับจนกระทั่งถึงสะอาดโริสุขธ์เป็นที่ เวลานี้จิตของเราเป็นอย่างไรสังเกตทดสอบบวกลบผลลายได้รายเสียวันนี้ถึงวันนี้เช้านี้มาถึงตอนนี้ทดสอบอยู่เสมอและพยายามผิดสติปัญญาขึ้นเรื่อยๆเข้มแข็งขึ้นโดยลำดับส่วนร่างกายมันก็เป็นเรื่องของมันอย่างนั้น เวลามีกําลังมังชาก็เหมือนแต่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันหมดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เหมือนต้องมีกําลังมังชาต่อไปอยู่หรเหมือนเขจะล้มจะตายไปในขณะนั้นแล้วมันก็พื้นไปได้หรืโลกอันนี้จังเป็นอย่างนี้นอกจากัตจุวิสัยแล้วมันก็ตายแล้วด้วยกันทุกคนกําลังมังชาของทางกายเป็นอย่างหนึ่งกําลังมังชาของจิตเป็นอย่างหนึ่งเวลานี้เราต้องการกําลังทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็ง สิ่งเหนี้ก็เราก็ได้อาศัยเข้ามานานคือธาตุขันสกุลนการนี้ได้อาศัยเข้ามานานท่านต่อมาต่อมาเมื่อมันหนักเข้าหนักเข้ามันก็มาทับเราเจ็บเลือดเจ็บน้อยเจ็บที่ตรงไหนตรงไหนปวดที่ตรงไหนก็มาทับเราทับเราถ้าเรามีสติปัญญาทานันเราก็ต้านทานได้กีดกันสิ่งนั้นได้หรือหลีกเลี่ยงความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยสติปัญญาของเราจิตใจก็ไม่รับความเขาทุกกระเอจากสิ่งเหนี้ ห า, า, าเราไม่ได้ชนะสาสารหรือสกิปัญญาของเราไม่ทันเรากับจิตแบบนี้ก็จะพัวพันมัดกันอย่างแน่นหาทางออกไม่ได้กายทุกใจก็ทุกเนี่ยร่างกายทุกส่วนไหนใจก็ทุกไปหมดทั้งดวง น, นี่แม้จะรา่รางกายจะไม่ทุกไปหมดทั้งครัวก็ตามแต่ใจจะทุกไปหมดทั้งดวงนี่จะเป็นแบบที่ว่าร่างกายเจ็บส่วนนั้นจิตก็มาทุกส่วนนี้ ร่างกาเกยเจ็บน้อยทุกข์กายจิตก็เจ็บส่วนนี้ย่อยๆ น, นิดหน่อยอไม่เป็นอย่างั้นจะเจ็บมากเจ็บน้อยมันก็เป็นทุกข์ไรจิตทั้งดวงนั่นแหละจิตไม่น่าจะให้เป็นทุกข์ธรรมดาของจิตที่มีกิเลสหาไม่ได้ชำระควนอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นทุกข์ไปทุกระยะ อีกไม่มีสติจิตไี่มีปัญญากระทบมากน้อยเป็ไงก็ตามจะต้องสังสมทุกข์ขึ้นภายในตัวอย่างมากมายและอย่างรวเดืยวอีกด้วยแต่จิตที่รับการอบรมให้เป็นอย่างนั้นอะไรเจ็บขุนที่ตรงขึ้นที่ตรงไหนภายในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบตามหลักของปัญญาที่เราพิจารณาไว้แล้วอันนี้แสดงตัวผิดปกติขึ้นมาอาการนี้แสดงผิดปกติขึ้นมาอย่างนี้มีความเปรียบคล้องทุกเป็นอย่างนั้น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 ท้อรู้ตามเป็นจริงทั้งหมดทั้งๆ ท, ที่ไม่เจ็บท่านพิจารณารู้รอบด้วยปัญญาแล้วเวลาเจ็บก็แสดงสกิรัญญายให้ท่านเห็นเนี่ยที่ปัญญาได้พิจารณาแล้วนั่นถูกต้องดีแล้วเวลานี้ปรากฏขึ้นเช่นนี้ตามหลักพองปัญญาที่รู้ไว้แล้วท่านก็ไม่หวัน่นเพราะท่านทราบไว้ก่อนนะง่ายแล้วจนกระทั่งร่างกายจะทนไม่ไหวจริงๆท่านก็ทราบว่าร่างกายนี่จะทนไม่ไหว แต่จิตทังท่านทนได้สบายและไม่ต้องทนเนี่ยแต่พูดถึงว่าทนตามความสมมติจิตทังท่านทนได้เนี่ยใ่ทุรนทุลายไปตามถ้าจะว่าทนนะแต่มันขัดที่ว่าทนจิตทองท่านไม่กระทบกระเทือนว่าอย่างนั้นถู ก, ถกต้องไม่มีความหมอน่นไปตามทุกเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจังมากจังน้อย กายจะทนมไม่ไหวก็เร้าจะทนมไม่ไหวจะแตกก็เศราจะแตกแ ต, แต่จิตไม่แตกนะจิตมีความสม่ำเส ม, มอตัวตลอดเวลาทั้งีเวทนาเกิดขึ้นทั้งทเวทวตนาตั้งอยู่หรือเทวทนาดัดไปหรือไม่เกิดขึ้นมีความเป็นปกติอยู่เช่นนั้นจึงชื่อว่ารู้รอบด้วยปัญญาเนี่ยตรงนี้อ่ะต้นเัาเรื่อวเองต่อเนี่ยสำคัญมาก เราพิจารณาหรือเราภาวนา ม, มานานแสนนามนามากมาเท่าไรให้เราสังเกตปุดด่ความรู้ความฉลาดของเรากับทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นมากน้อยอินงอบเป็นอย่างไรเราทราบตรงนี้ถ้าสติปัญดารอบแล้วทุกเมื่ทุกเกิดและเกิดก็ตามมันทราบอยู่เป็นปกติอันนั้นไม่มีปัญหาถึงการจัด ไปก็ไปเลยถ้าอรหารท่านจึงไม่ลําบากในเวลาตายเหมือนปุถุชนทั้งหลายปุถุชนคนสามัญเหล่านี้โหดหนักมากเป็นทุกข์เป็นบ้อนภายในร่างกายอย่างนั้นแล้วความไปทุกข์ร้อนภายในจิตทั่นเองมันมากมา ก, ก่ายกอเป็นไฟทั้งดวงเผาหรือเวลาความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในตัวมัา ง, ง่ า, ายก็ทําให้ลําบากออกไปข้างนอก คนนั้นไม่ดูมไม่แลคนนั้นไม่เอาใจใส่คนนั้นไม่เห็นบุมเห็นคุณของเราเลยว่าไว้ลูกเขเป็ไม่ดีล้านไม่ดีเลยไม่ดีอคนใช่ไม่ดีเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมเคยอุปการะเขามาแต่เวลาเราเป็นที่นี่ไม่มีใครมาเหลือแล้วเราไม่ดีเลยไม่ดีหมดทําไมถึงไม่ดีเพราะหัวใจเรามันร้อนมันเป็นฟืนเป็นไฟอะไรอะไรก็ไม่ดีไปหมด ความระบายเภาคยในจิตใจนันเหมือนจะเป็นความระบายทุกความจริงไม่ใช่ระบายทุกมันเพิ่มทุกข์ึ้นเข้ามาภาในตัวเองนี่เรื่องสามัญชนรเราเป็นอย่างนั้นแต่ส้าพระอรหันต์ท่านไม่เป็นเลยไม่ไเกี่ยวข้องกับใครไนมะ่ไปนสนใจคิดว่าคนนั้นแบบนั้นคนนี้อย่างนี้ดังสามัญชนรเรา ยิ่งจะรู้ตามความจริงของธาตุของขันธ์ที่มันแสดงตัวขึ้นมามากน้อยในเรื่องทุกขเวทนาถึงคราวแตกข่าวดับปิ๊งปิ๊ขั้นกว่าทราบแท้ทัดกังวลวุ่นวายแต่ก็แตกแ ต, แตกเขาอยู่เมื่นก็คือ่าตอันเดียวกันนี่แต่ไปแล้วมันจะไปไหนก็เป็นเรื่องของมันหากความรับผิดชอบไปแล้วพ้นจากความรับผิดชอบไปแล้วจิตไม่ต้องรับผิดชอบก็ฟินได้เลยนั่นแหละทรานะอัตมุปาทิสเสสนาสานุปาหายกังวลไปหมดในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ จะต้องเลยรับทราบผลตลอดเวลาที่ประสาทสใช้อยู่ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆทางหูงทางตาทางสมองทางรล่้งทางกายตลอดถึงทางใจก็ต้องมันคิดเลยตรงเมื่ออาศัยกันอยู่ก็เป็นอย่างนี้จงเรียกาอะสักุปาริเสสนิพันคือถึงคำโดยสุทธิลิมูไปแล้วแต่ถ้าขันนี่มันไม่บริสุทธิ์กับเรา ก็ต้องเกอะวนมั่นกอะกอวนนี้ให้รับทราบกัรับผิดชอบกันอยู่เอยๆ้าหลับ้านอนภาเป็นอยู่ปูวายก็รอสายเป็นแต่เพียงว่าไม่ทุนทุลายไม่หลงกำลังเท่านั้นใั้นปฏิบัติให้มีความมั่นคงภายในใจให้เป็นที่แน่ใจตนได้ ให้เสียทีทุกขนาดไหนก็ให้ประมวลลงมาว่าทุกขเวทนาเป็นสัจธรรมอันหนึ่งหรือเป็นก้อนแห่งใจรักอันหนึ่งท่านั้นเนี่ยความเป็นใจรักกับความที่รู้อยู่ภายนจิตนี้เป็นคนละอย่างไม่ใช่อันเดียวกัน ร่างกายก็เป็นส่วนทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะเพระร่างกายผิดปกติก็เป็นส่วนจิตที่รู้ก็เป็นส่วนสติปัญญาที่จะนํามาใช้เพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อกําจัดปัดเตาสิ่งนี้ไม่น่าค่าข้าวกับกิจก็เป็นเครื่องมือที่เยี่ยมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไม่แล้วถ้า ใ, ให้พอกับความต้องการ ปัญดามีไว้สาหรับช้าแก้คดีกแก้ความ ม, มุ่งหนุของตนเองถ้าให้เพียงพอกับความต้องการเรื่องตายนั้นมีอยู่กับทุกคนไม่เป็นสิ่งที่น่าวิตกตายก่อนตายหลังก็คือความตายนั่นเองไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันคนนี้ตายวันนี้คนนั้นไปตายวันพรุ่งนี้ก็คือความตายนจิต เป็นล้วนแล้วไม่มีการไม่มีเวลาไอ้เรื่องการเรื่องเวลานั้นเป็นความคาดความหมายของปิดซึ่งก่อความกังวลให้ตน ต, รตรา่างๆความตายจริงเขาก็ไม่มีการและมีเวลาของเขาเขาไม่มีกฎมีเกณฑ์ตั้งเอาไว้เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรานี่ชอบตั้งกฎตั้งเกณฑ์นั้นอย่างนั้นนั้นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ตั้งทําความสาคัญนั้นหมายในตั้งกฎตั้งเกณฑ์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่กังวนก่อความกวลให้เก่ตรงทั้งนั้น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 จิตก็มีความพาสุขสบายโดยไม่ต้องมีการมีเวลาเช่นเดียวกันเห่นจิตที่บริสุทธิ์ได้แล้วอากา ร, กรกนี้กิจไม่มีอะไรเข้าไปแทรกเลยนี่ให้เราคิดตรงให้ตกทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่าผู้ปฏิบททัติธรรมตรงตกที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่เป็นสิ่งสำคัญมากกว่ า, าอาื่นไอ้เรื่มงต้องมัดเงินทองกอบของคนนั่นคนนี่ยากนี้ สหายอะไรนี้มันไกลแสนไกลสิ่งที่เกี่ยวพันกับตนเองอยู่นี้คือขันห้าร่างกายกับจิตที่อยู่ด้วยกันมีเป็นสิ่งสงคันต้องเรียนตรงนี้ให้ทันกับสิ่งนี้ให้รู้ให้รู้ตามความจริงของมันอย่าไปขัดความจริงถ้าขัดความจริงแล้วก็ฟืน้นกิเลสขึ้นมาเหมกับปลูกกิเลสขึ้นมาให้เป็นต้นเป็นลำแล้วก็วราวีเรานั่นแหละขันมันเป็นเช่นไร เราเรียนมาแล้วเรื่องขันคืออะไรบ้างคือรูปกฎหมายจิตกายทั้งหมดนี่นี่ก็เป็นขันอันหนึ่งเป็นหมวดอันหนึ่งหรือเป็นกองอันหนึ่งนี่กองทุกันเนี่ยจะเป็นกองอะไรขันห้าแปลว่ากองกองทุกันเนี่ยมันทุกอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนภูเขาก็ไม่ได้มาทําให้คนเป็นทุกข์หรือภูเขาไม่ได้เป็นทุกข์ดินฟ้าอากาศไม่ได้เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ที่ขันห้านี่ี่ฟังที่มันเป็นทุกข์ที่ขันห้านี่ถ้าจิตของเราหลงเราก็เป็นทุกข์ด้วย ถ้ากินแล้วไม่หลงก็เป็นทุกข์ขี้ขันหา้าให้่นั้นกิตไม่เป็นทุกข์แน่นเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆเขาเรียกว่าเวทนาขันนี่ละหมายถึงการห้าสัญญาขันคือความจดจําสังขานขันคือความปรุงวิญญาณขันคือความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกร่างกายรวมแล้วทันยบะ นี่คือขันห้าถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ในวงขันห้านี้เวทนานั้นก็แสดงตัวมันตามสภาพของมันอย่างนั้นจะเป็นสุข ก, ก็เป็นเรื่องของสุขรวมถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์รวมๆนั้นเป็นของมันอยู่อย่างนั้นรูปกายก็เป็นรูปกายอย่างนี้ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยรูปกายไม่รับทราบรูปกายไม่มีความหมายในตัวเองและมันมีความหมายในทุกขทุกขที่เกิดขึ้นก็มัมีความหมายตัวเอง แล้วไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นทุกข์นี่จึงเรียกว่าเป็นของจริงแต่ละอ ย, าอยา่างทุกข์จริงๆที่มันเกิดขึ้นภายใ น, น, นร่างกาของเรานี่มันไม่ได้ทราบความหมายของมันนะว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันก่อทุกข์ให้แก่ผู้ใดมันก็ไม่ไม่มีความหมายตัวมันไม่รู้สึกนอกจากใจของเราไปหมายมันเท่านั้นสัญญาสังนขาไม่ได้ความจําก็เหมือนกันมันสักตว์ปจาําสั้นขาสัตว์ประปุุง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 สิ่งนั้นก็สับแต่ว่าแสดงตัวตามเรื่องของมันเท่านั้นไม่มีความหมายอันใดเลยต่างอันต่างแสดงก็มีความหมายตัวเองต่างอันต่างจริงไปตามหลักธรรมชาติมันจิตก็จริงไปต า, ามหลักธรรมชาติของจิตทั้นจริงไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องความเจ็บความปวดในธาตุในขันไม่มีปัญหาอันใดในเรื่องความล้มความตาความสลายแห่งธาตุนี่มันมีเท่าไหร่มันสลายามมไปตามเรื่งองของมันที่มันมันสลายลงไปเท่านั้นไม่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจ ให้ยุ่งเหยิงมุ่นวายต่างเลยนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่า น, นสอนผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วจะรู้ความจริงดังที่กล่าวมานี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เนี่ยที่ท่านว่าความเป็นความตายมันเท่ากันมันเท่ากันอย่างนี้เลยเวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้อะไรจากถ้าจากคันอันนี้ถ้าจิตพอตัวทะทุสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการ อะไรมาเพิ่มเติมจากธาตุจากขันหรือจากสิ่งใดทั้งหมดเวลาสิ่งนี้สลายตัวลงไปจิตก็พอตัวอยู่แล้วจะไปล่มจมที่ไหนหาความล่มจมไม่มีเพราะธรรมชาติที่รู้ที่บริสุทธิ์นี้ไม่ใช่ผู้ล่มจมเจ้าความล่มจมมาแล้วยก ธ, ธรรมชาตินี้ได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินี้พอตัวอยู่แล้วจะอะไรมาแสงจะอะไรมาเพิ่มมันก็ไม่ติดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ติด นี่บความตายความเป็นมันเท่ากันไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันแล้วเป็นธรรมดาธรรมดาเรไม่รู้ให้เห็นตามความบิเป็นอย่างนั้นแต่บินเกลียวแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่โตใหญ่ในะขณะที่เกิดก็ใหญ่ดีใจโอโ้โหลูกเราเกิดหลานเราเกิดเป็นผู้หญิงแต่ต้องการผู้หญิงแล้วก็ดีใจมากแต่ต้องการผู้ชายแล้วหลานผู้ชายดีใจมาก น, าน มันเป็นเรื่องใหญ่โตนั่นน่ะเรื่องดีใจจะเป็นเรื่องใหญ่โตเห็นเวลามันตายที่ที่นี่ความดีใจอย่างใหญ่โตความเสียใจใหญ่โตมันก็เท่ากันี้เห็นไหมนี้เวลาเกิดมันใหญ่โตตายมันก็ใหญ่โตนี่เวลาเกิดมันใหญ่โตก็จริงนะเวลาหลงพอพอใจมันเวลาตายเรารู้แล้วมันก็ไม่ใหญ่โตตกหลุก็ไม่ใหญ่โตทั้งย้อนไปทางหลังที่มันเกิดมันก็ไม่ใหญ่โตมันเท่ากัน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 เมื่อดับกำจับได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนิโรธก็ทําดับทุกได้โดยสิ้นเชิงก็ดับที่ตรงนี้ไม่ดับที่ตรงไหนเพราะกองทุกอยู่ที่ตรงนี้ดับก็ดับนที่ตรงนี้หายกัวงวลทิตตรงนี้ผาสุขสบายที่ตรงนี้นี้เท่านั้นศาสนาเมื่อรวมลงแล้วของแต่ละคนคนผู้ปฏิบัติตัวมารู้ที่ตรงนี้แล้วหมดปัญหาไปทั้งโลกกถะทำให้มีอะไรมาเกี่ยวข้องวุ่งเหยิงให้วุ่นวายต่อไปเพราะผู้นี้ไม่เป็นผู้วุ่นวายอีกแล้ว ก็สมายแสนสมายนะนี่นาพามีศาสนาอยู่ภายในตนเรามีความหวังเต็มประตูจากการปฏิบัติของเราถ้าไม่มีศาสนาประจําตนมีหาความหวังไม่ได้เขาอาศัยสิ่ง น, นั้นสี่ง น, นี้ไปตามเหมือนกับโลกทั่วไปหรือเหมือนกับสัตว์ทือเขาอาศัยกินหญ้ากินอะไรอะไร ตาม อ, อ, อาหารที่ถูกกับนิสัยของเขาพอตายไปแล้วก็มาหมดความหมายไม่ทราบจะหวังอะไรมนุษย์เราฉลาดกว่านั้นนี่เวลาเราอยู่เราก็มีบ้านมีเรือนมีพ่อมีแม่มีสมบัติเงินทองเข้าของมองดูอะไรก็มีแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นถ้าจิตจใจของเราไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักลืดแล้วมันก็ว่าวอ่งมองเพื่เห็นแต่สิ่ง น, นั้นทั้งนี้มองเข้ามาจิตนี่จะอาศัยอะไต่อไป มันก็หาทางอาศัยนั่นได้นี่เพราะฉะนั้นคนเราเวลาจะล้มจะตายเกิดความว้าวุ่นผุ่มมัวมากมายก็เพราะจิตไม่มีหลักยึดภายในใจยึดสิ่งภายนอกกลัวจะตายาพับทากจากสิ่งนั่นพับทากจากสิ่งนี้วรือยุ่งไรหมดแล้วก็ความวุ่นวายให้กับตนในวาระสุดท้ายก็ไปใหญ่ปิดที่มีศาสนาจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองปิดนี้ทําเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะตกลงความเห็นมาแล้วมันมีความอบ อ, อุ่นอยู่ภายในตัวสิ่งที่ เวลาที่ควรจะปล่อยมันปล่อยของมันได้โดยลํานักลำดับเนี่ยส่ว น, นภายในนี้เป็นตัวของตัวขึ้นมานี่เวลานี้เราจะอาศัยอันนี้ต่อก่อนเรายึดนั้น น, นัอาศัยที่นั้นนั่นเวลานี้หมดนิสัยที่ไปยึดนั้นแล้วมีอันนี้เป็นวิสัยของเราเหมาะสมกับเราอย่างยิ่งก็คือความดีนั่นก็ยึดตรงนี้ตาก็สัขดโตไปเลยเวความมีศาสนาภายในใจิตใจเป็นหนังนี้นไม่เสียท่าเสียทีทั้งมีชีวิตอยู่ทั้งเวลาตายไป อาศัยทั้งส่วนธาตุส่วนขันนิสสัตบริวารทุม่มบาทเงินทองก็ได้อาศัยให้เป็นพิษเป็นภัยแก่เราจิตใจก็ได้อาศัยคุณงามความดีซึ่งเป็นคุณอยู่แล้วกลบงก่อนทั้งโลกนี้ละโลกหนาเราไม่เสียท่าเสีทีสมความเป็นมนุษย์ที่ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์นี่มนุษย์เราสูงกว่สาสัตว์สูงอย่างนี้เองมันเปนสูงมัเพียงฉลาดแต่ไม่สามารถพิจารณาความปรุหให้แก่จิตใจข้งบนอันสําคัญนี้ได้ ตองห้ได้ทั้งสองอย่างที่ว่าเป็นผู้ชี้ขายการแสดงธรรมกฎเหิสงสมควร